ใครไม่เคยมาบ้างไหมมีกี่คนยังไม่เคยมามีไหมฝึกกันมาแบบไหนเคยทำกรรมฐานมาแบบไหนกันทำสมถามธิอะค่ะอทำมาจากไหนใครสอนให้อาจารย์จากเรือนทำนะคะชมรมก็าํทำอาจารย์วิชาจากเบียนาต่ะคะ่ะาชาก็ดีแล้วอาจารย์วิชาสอนต่อไป ในทางนี้แหละใครฝึกกันแบบไหนก็หัดดูลมแล้วก็พยายามดูความรู้สึกภายในของจิตนะคะพระอาจารย์ลูกศิษย์าวิชาทั้งหม ด, ห เ, ดเลยเด้งคนเลยฝึกมาจากไหนล่ะพระอาจารย์สำรานที่วัดป่าหลวงพ่อกล้วยค่ะวัดป่าธามอุทยานค่ะวัดหลวงพ่อพกล้วยค่ะก็ดีแล้วมีใครฝึกมาสํานักต่างจากนี้ไหมฝึกอะไรมาท่องยุบ นี่แหละอะไรนะอ่านจากหนังสือเหรือไม่มีอาจารย์เลยเหรออ๋อดีเหมือนกันบางคนชอบอ้างนะเป็นลูกศิษย์อาจารย์โน้นอาจารย์นี้ล้ำมองหน้านะไม่ใช่อะ่ะ <c oughs> ทําอาจารย์เสียชื่อดีนี้ดีคือฝึกแนวไหนก็ได้นะเบื้องต้นอนะ่ะเอาสักอย่างหนึ่งกรรมฐานเราต้อง แต่ก่อนจะฝึกเราต้องรู้ก่อนเราจะทำไปเพื่ออะไรกรรมฐานนั้นมี2งานอันนั่นคือสมถ า, ากรรมฐา น, นนั้นคือวิปัสสนากรรมฐานสมถ า, ากรรมฐานเนี่ยเป็นการน้อมใจให้ไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องทำไปเพื่อให้เกิดความสุขความสงบความดีทำไปแล้วได้ความสุขได้ความสงบได้ความดีในเรื่องของสมถะส่วนวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้เอาสุขเอาสงบเอาดี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 นี่สมถะเนี่ยทำไปเพื่อความสุขเพื่อความสงบนะเพื่อความดีแต่บรรดาความสุขความสงบความดีเป็นของชั่วคราวในโลกนี้ไม่มีความสุขถาวรนะไม่มีความสงบถาวรไม่มีความดีถาวรในโลกนี้ฉะนั้นสมถะเนี่ยมันเหมือนยากแก้ปวดนะกินเข้าไปแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าชาั่วครั้งชั่วคราวถามว่ามีประโยชน์ไหมมนะีมีประโยชน์อย่างพวกเรา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 อยู่วัดนี่เรียบร้อยนะแต่อยู่บ้านนี่ด่าเป็นไฟเลยนะนี่เก็บกดเ น, นื้อสมถะเนี่ยทำไว้นะตอนที่ทำอยู่มันก็เป็นคนดีหรอกพอหมดแรงเก็บกดนี่มันร้ายยิ่งกว่าเก่าอีกร้ายเครียดมานานแล้วเก็บกดสรุปแล้วก็คือสมถะเนี่ยทำไปน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่สบายจิตใจได้ความสุขความสงบนะได้ความดี ช่วยครั้งช่วยคราวมีคำว่าช่วยครั้งช่วยคราวมีกรรมฐานอันหนึ่งเรียกว่าวิปั ส, สนาวิปั ส, สนาไม่ได้มุ่งเอาสุขเอาสงบเอาดีแต่มุ่งเอาความจริงเรียนเพื่อให้เห็นความจริงของชีวิตนี่เองเรียนถ้าเรียนสําเร็จแล้วเราจะพ้นทุกความทุก์มันอยู่ที่กายความทุกมันอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นวิปั ส, สนาเป็นเรื่องการมาเรียนรู้กายรู้ใจตัวเองวิปัสนาจะไม่เกินกายเกินใจตัวเองออกไปนะ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 วงจรของปฏิจจสมุปบาทด้วยการกําหนดลงไปนะไม่มีทางเป็นไปได้เนะพราะอะไรเพราะจิตทุกดวงย่อมประกอบด้วยเวทนาเสมอไม่มีทางจะทําให้จิตปราศจากเวทนานะนั่นเป็นความเข้าใจผิดเลยเวทนามีทั้งหลายอย่างนะมีความสุขก็มีความทุกข์ก็มีเวทนาเฉยเฉยก็มีเพราะฉะนั้นจิตใจถึงกําหนดลงไปไม่สุขไม่ทุกขนะ์ก็มีเวทนาเฉยเฉยมีเวทนาเฉยเฉยก็เกิดตัณหานะ ตัญหาได้พระอุเบกขาเวทนาเกิดขึ้นโมหะมักจะแทรกถ้าถ้าถ้าสุขวเวทนาเกิดขึ้นโสมนัตเวทนาเกิดขึ้ น, นราคามักจะแทรกถ้าทุกขวเวทนาหรือโทมนัตเวทนาเกิดขึ้นนั้โทสะมักจะแทรกแต่พอเรากําหนดลงไปกําหนดลงไปนะั้นมีแต่อุเบกขาเวทนาเฉยเฉยหรือเรียกอัทุก ข, ขมสุขเวทนาไม่สุขไม่ทุกขอะไรโมหะมักจะแทรกคือหลงไปเลยนะ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 ตัดมากข้ามากเข้านะมันเหมือนไม่ทํางานนะแต่ไม่ทํางานเพราะการตัดจิตจะรวมลงไปนะแล้วก็ดับลงไปเลยอันนี้เรียกว่าอาสัญญาสัตตาภูมิหรือพรหมลุกฟักหลายคนคิดว่านิพพานเนี่ยต้องไม่มีรูปไม่มีนามในขณะที่จิตบรรลุมรรคผลนิพพานต้องไม่มีจิตเพราะงั้นเวลาภาวนาไปวูบหมดสติไม่มีจิตแล้วคิดว่าบรรลุมรรคผลนิพพานอันนี้เข้าใจผิดอีกแหละ ในขณะที่จิตบรรลุมรคนิพพานนะมีจิตนะไม่ใช่ไม่มีจิตมีจิตเรียกว่ามัคคจิตนะในขณะที่บรรลุอริยมร์ขณะบรรลุอริยผลมีจิตชื่อว่าพราจิตมีอย่างละยีดวงไม่ใช่มีน้อยๆ น, นะแล้วก็มีเจตสิกด้วยที่เกิดประกอบกับจิตนั้นอีก30กว่าดวงนะ32 3สหรือสาขึ้นไปนะแล้วแต่องค์ฌานที่แตกต่างกัน เพรานั้นในขณะที่บรรลุมรรคผลแนละก็มีจิตมีเวทนามีอะไรทุกอย่างไม่ใช่ไม่มีนีภาวนาไปนะหวังว่าจะมีความสุขหวังว่าจะมีความดีหวังว่าจะพ้นทุกข์ภาวนาจนดับความรู้สึกอีกพวกหนึง่งโดยการดับรูปเหลือแต่ร่างกายร่างกายไม่มีนะเหลือแต่จิตพวกนี้เข้าอารูปฌปานนี่ก็เป็นความปรุงแต่งอีกพวกนึง่ง สรุปแล้วความปรุงแต่งที่พวกเราสร้างขึ้นมาจากความต้องการจะมีความสุขเนี่ยมี3แบบแบบที่1เที่ยวแสวงหาอารมณ์ที่เพลิดเพลิน พ, พอใจภายนอกนะเรียกว่าการสุขาริกานุโยกก็ได้เรียกว่าอาปุญยาพิสังขารก็ได้นะเรียกว่าอากุสลาภิสังขารก็ได้พวกที่2บังคับกายบังคับใจตัวเองควบคุมไปด้วยนะเรียกว่าอัตตะกิมัฏฐานิโยค เรียกว่าปุญญาพิสังขารเรียกว่ากูสลาพิสังขารเป็นฝ่ายดีนะเป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีบังคับตัวเองควบคุมตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาเรามีสติเราอยู่เรารู้ว่าเพ่งนะไม่หายเพ่งนะการเพ่งไม่ได้เป็นความชั่วแต่ถ้าเป็นอกุศลเนี่ยพอสติะระลึกรู้ปับ๊บจะดับทันทีเะฉั้นนักเพ่งทั้งหลายนะต้องหลอกให้เผลอต้ชวนให้เผลอๆไปนะแล้วก็ะระลึกขึ้นมาแล้วสติมันเกิดได้ถ้าเพ่งไว้นะมันมีแต่สติแนละ้วไม่มีปัญญาทื่อๆไปอย่างนั้น ปรุแต่งอย่างที่3ก็คือการหลีกหนีการกระทบอารมณ์มีสองพวกพวกหนึ่งเพ่งรูปจนเป็นพรหมลูกฟักพวกหนึ่งเพ่งนามจนเป็นอรูปประพลมเนี่ยคนในโลกค้นพบทางพ้นทุกข์ด้วยวิธีเหล่านี้พ้นทุกข์ได้เหมือนกันแต่ได้ชั่วคราวอย่างเราอยากเคกินของอร่อยได้กินของอร่อยใช่ไหมสบายใจมีความสุขพ้นทุกข์ไปนิดนึงเดี๋ยวอยากอย่างอื่นอีกตอบสนองอีกก็พ้นทุกข์อีกทีหนึ่งเดี๋ยวก็ทุกข์อีกล้อยากอีกเบอร์62ดูออกขึ้นยังว่าความอยากเกิดตลอดเวลา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 สงบไว้ก็สงบได้ชั่วคราวเข้าฌานไปอย่างมากก็หมื่นกว่ากับ4ี0 0 0ื่นแปกับอะไรอย่างนี้นะอย่างมากๆเดี๋ยวมันก็หลุดออกมาอีกหลุดออกมาอีกไปอาบายอันนี้พระพุทธเจ้าเคยสอนนะบอกว่าพวกพลมเนี่ยพอตายจากพลมเนี่ยมักจะไปอาบายทําไมอะ่ะเก็บกดไว้นานหลุดออกมานะใจเคลื่อนนะเคลื่อนอย่างรุนแรงเลยภูมนุษย์รองรับไม่ทันกนทะลุลงข้างล่างไปเลยนะ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 เม่ไหรมันจะหยุดสักทีนะเมื่อไหร่มันจะดีสักทีนะอยากในสิ่งที่มันไม่มีอยากในสิ่งที่มันไม่มีมันก็ต้องทุกร่ําไปนะีเนี่ยเ น, น, น, น, นคุณต้องทําอะไรยามไปแทรกแซงมันนะนี่เรียกว่าปุญญาพิสังขารเนื่องอัตตะกิลมะฐานวิโยคเห็นไหมหลุดออกจากเส้นทางที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วเสน้นทางที่พระพุทธเจ้าสอนคือรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อย หรือวิปัสสนานั่นเองนะพวกเราได้ยินคําว่าวิปัสสนาแล้วน่ากลัวนะฟังแล้วน่ากลัวรู้สึกลึกลับซับซ้อนมีวิด้วยวิตัวนี้ก็คือวิเศษนั่นเองไม่ธรรมดานะปัสนาคือการเห็นปัสนาคือการเห็นการเห็นอย่างวิเศษเลยเห็นยังไงเห็นตรงความเป็นจริงแนตะหากเราเห็นอย่างวิเศษนะไม่ใช่หูจิปตาทิบแล้ววิเศษนะเห็นตรงตามความเป็นจริงนะั่นแหละเรียกว่าวิเศษเลย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 ความจริงอาจจะไม่ใช่จะเป็นไายก็ได้แต่ด้ามมันหักไปดะงนั้นสิ่งที่ตามองเห็นนมันคือสีที่ตัดกันเป็นรูปร่างต่างๆแล้วสมมุติบัญญัติก็เข้าไปแทรกว่านี่คือผัดอันนี้คือกระติกน้าสมมติบัญญัติที่จริงที่ตาเรามองเห็นนเสมอกันนะคือสีแม้เราขนาดที่เรามองเห็นนะเราก็เกิดความเห็นผิดเห็นเป็นคนเห็นเป็นสัตว์เห็นเป็นเราเห็นเป็นเขา ขนาดได้ยินเสียงแมนี่เสียงหลวงพ่อใช่ไหเสียงหลวงพ่อจริงๆมันก็คือเสื่นเสียงสูงๆต่าๆนั่นเองแต่เราก็ไปหมายรู้ว่าเสียงอย่างนี้เขาชมเราเสียงอย่างนี้เขาด่าเราเราไปให้ค่าเข้ามามีเรามีเขาขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยมีพอกภูนความเห็นผิดตามมองเห็นก็เห็นผิดว่ามีเรามีเขาหูได้ยินเสียงขึ้นมาก็เห็นผิดมีเรามีเขาขึ้นมาคิดขึ้นมานะก็มีเรามีเขาอีก รู้สึกไหมเวลาคิดนะเรายัางนู้นเราอย่างนี้นะเวลาหลวงพ่อคิดนะสมัยก่อนหลวงพ่อคิดนะจะใช้คําว่าเราไม่ทราบว่าใช้คําว่าอะไร <c oughs> บอกได้ไหมข้าพเจ้ามีไหมคงไม่มีอนะอะถ้าโมโหก็กูเนา ะ, ะถ้าโมโหขึ้นมาก็กูเห็นไหมเนี่ยขนาดคิดนะมันยังมีเรามีเขาเลยมีกูมีมึงขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยมันฟอกฟูนแต่ความรู้สึก ความเห็นผิดผิดรู้สึกผิดผิดตลอดเวลาพวกเราต้องมาหัดวิปัสสนาคือมาหัดรู้สึกตัวมาหัดรู้สึกตัวก่อนอย่าใจลอยอย่าหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะอย่าไปนั่งเพ่งกายเพ่งใจไว้นะรู้สึกตัวร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกตามองเห็นรู้สึกหูได้ยินเสียงรู้สึกนะจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจคิดใจนึกคอยรู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวทํำยังไงรู้สึกตัวก็คือคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตัวเอง นะตามองเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่ใจให้รู้สึกนะหูได้ยินเสียงความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่จิตใจให้รู้สึกใจเราคิดนะความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่ใจคอยรู้สึกเช่นเราอยู nee, อ่ๆเรานั่งเฉยๆนะอยู่ๆหน้าคนคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาคนนี้เราลืมไปนานหลายปีแล้วใครเคยเป็นไหมใครเคยเป็นบ้างนั่งอยู่เฉยๆอยู่ๆไ อ, อ, อ Whew, ้คนที่โผล่ขึ้นมานะ้ะไม่ได้นึกได้คิดถึงมันเลยอยู่ๆก็ ảo, โผล่มาลืมมันไปนานแล้วด้วยเนี่ยสัญญามันผุดขึ้นมา พอเรานึกได้ปั๊บเนี่ยสังขาปรปลุงต่อเลยอ๋อไอ้นี่มันโกงแชร์เรานะ <c oughs> นี่ลืมไปตั้งนานแล้วนะพระหน้ามันโผล่เพรามั น, นึกขึ้นได้โมโหอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยเวลาเราปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ห้ามไม่ให้คิดไม่ให้นึกมันห้ามไม่ได้นะจิตมันเป็นอนัตตานะห้ามมันไม่ได้นี่จิตมันคิดขึ้นมาปับ๊บแล้วมันก็โกรธขึ้นมาความันโกรธก็ห้ามไม่ได้นะไม่ได้ฝึกห้ามนะแต่ฝึกให้รู้ทันจิตเมื่อกี้ไม่โกรธจิตตอนนี้โกรธ พอจิตมันโกรธล้วก็ตามรู้ตามดูไปเดี๋ยวมันหายไปนี่จะพบว่าจิตเมื่อกี้โกรธจิตเดี๋ยวนี้ไม่ได้โกรธนี่นะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะตามรู้ตามดูไปจะเห็นว่ามันเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยความสุขเกิดขึ้นนะพอ ม, มีสติไปรู้ก็เห็นความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนี่ความสุขไม่เที่ยงเหมือนกั น, นความทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะใครเคยทุกข์นานที่สุด1วันเคยไหมมีใครเคยทุกข์ถึง1วันบ้างช่วยยกมือให้หลวงพ่อดูทุกถึง1วันเหรอ เวลาข้ามถนนยังทุกอยู่ไหมหรือว่าเดี๋ยวซ้ายแรงขวาไม่ทุกเห็นไหมไม่มีใครทุกวันหนึ่งหรอกทุกก็เกิดทีลท่ลักษณะที่ลักษณะนะเกิดตอนคิดเอาไม่คิดไม่ทุกหรอกหลวงพ่อเคยถามผู้หญิงคนหนึ่งนะเด็กผู้หญิงควจริงไม่ได้ถามเจาะตัวเขาหรอกถามลอยๆว่าพวกเราคนไหนเคยทุกนานๆบ้างมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งของหนูนานปีกว่าๆทุกได้ปีกว่าๆ ท, ทุกเรื่องอะไรนะไอผู้ชายมันทิ้ง มันหลอกจีบแล้วมันทิ้งในทุกอยู่ปีกว่าหลวงพ่อก็ลองแย่ๆดูหน้าตาแล้วชอบไปเที่ยวศูนย์การค้าแย่ๆดูว่าเคยไปเที่ยวตามศูนย์การค้าแล้วอยากเข้าห้องน้ํำไหมเคยเคยปวดอึนขนาดที่วิ่งหาห้องน้ําเนี่ยโกรธไอหนุ่มนั่นไหมไม่ได้โกรธใช่ไหมใจคิดถึงแต่ห้องน้ําเนี่ยพอเจอห้องน้ําดีใจใช่ไหม ดีใจเข้าไปได้เฮ้ยคนยังเข้าแถวอยู่เลยเห็นไหมความดีใจจะพลิกเลยเนี่ยฟองดูอันตุ ก, กะเพราะฉะนั้นไม่มีน้่งโกรธเป็นปีปีโกรธเป็นวันวันไม่มีหรอกมีโกรธเป็นขณะขณะใจเราคิดขึ้นมาเราก็โกรธทีหนึ่งตาเราเห็นจมูกได้กลิ่นเล่นได้รสกายสัมผัสนะความรู้สึกมันเปลี่ยนตลอดเวลาให้เราคอยดูไปดูเพื่ออะไรไม่ใช่ดูเพื่อเอาดีเอาสุขเอาสงบนะแต่ดูเพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเหล่านี้ชั่วคราวทั้งหมดเลย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 ความอิจฉาริสยาความกังวลความกลัวนะทุกสิ่งทุกอย่างชั่วคราวตามดูไปอย่างนี้จนใจมันยอมรับความจริงนะดูไปซ้ำแล้วซ้ำอีกนะวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่ า, ลาดูไปนะจนใจมันยอมรับความจริงว่าทุกอย่างชั่วคราวเนี่ยจะได้โสดาบันนะจิตมันจะรวมข้อาาปนาสมาธิแล้วเกิดกระบวนการตัดสินความรู้ขึ้นมา ไม่ใช่อยู่ๆนึกเอาเองนะเม่อได้โสดา ห, หลวงพ่อต้องฆาตกรรมพระอริยะมากมายนะปีปีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวก็บรรลุเดี๋ยวก็บรรลุนะแต่บางคนก็บอกตรงๆได้นะก็หงอยไปพักหนึ่งนะบางคนบอกตรงๆไม่ได้ต้องเรียบๆเคียงเคียงอ้อมๆคมๆนะบอกสังเกตไหมความพอเผลอเมื่อไหรความเป็นตัวเราก็มีอีกเห็นเห็นหางไหวๆแต่ว่าเวลาดูอยู่ไม่มีนะเนี่ยอุตส่าห์จะเป็นพระโสดาหให้ได้นะ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 ไม่ต้องไปช่วยเขาอิ่มนะเราภาวนาไม่ใช่แบบพวกอยากไดเอทนะกิน3มคำพอละวันนี้นะไม่ใช่ดูดูดูมาได้10นาทีพอสมควรลนะพวกนี้ต้องผอมตายผอมจากคุณธรรมนะ <c oughs> ดูให้เยอะๆดูเขาแปลกดูทั้งวันยิ่งได้ยิ่งดีนะคุณผู้ชายที่ใส่เสื้อแขนยาวดูออกอย่างว่าใจเราเคลื่อนไปเรื่อยๆ แต่เราเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็คิดเรื่องโน้นเดี๋ยวก็คิดเรื่องนี้เดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อแวบหนึ่งเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดสลับไปเรื่อยๆค่อยๆสังเกตนะอย่าตอนนี้หนีไปคิดแล้วทราบไหมใจไปคิดไปคิดตามที่หลวงพ่อพูดค่อยๆดูไปนะให้ดูไปเอารินเผลอไปแล้วรินนะินเผลอไปแล้วเบอร์ 3.4 ใจลอยไปแวบหนึ่งนะ จำเบอร์ไว้นะหลวงพ่อเรียกแล้วยังหันไปดูเพื่อนอีกนะอแต่บางคนก็ไม่เห็นเบอร์นะเอาเบอร์ไปซุกไว้ใต้เสือหรือวางไวเ้เตี้ยๆไม่เห็นอะ่ะไม่มีที่ผจญสู่ไปดูใต้เสือนะ <c oughs> อ้าว <c oughs> เบอร์หนึ่งใจลอยไปละว่างไงว่างไงส <c oughs> ถาเนะี่มันทําไปเพื่อให้ใจสงบตั้งมั่นพอใจสงบแล้วนี่ยให้หัดสังเกตสภาวะ เรหัสังเกตสภาวาสติเกิดแล้วเนี่ยสมาสมาธิมันจะเกิดสมาสมาธิจะเกิดลอยๆไม่ได้ต้องเกิดร่วมกับสติเท่านั้นเพราะนั้นตัวสัมมาสัมมาทั้งหลายเวลาเกิดน่เกิดร่วมกันหมดไม่เกิดลอยๆทีละตัวทีละตัวแต่ว่าอาศัยการทําใจให้สงบพอใจสงบแล้วก็สังเกตสภาวะง่ายก็เห็นสภาวะเคลื่อนไหวเกิดดับไปเช่นเราหัดหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยใจฉลับซ้ายฉลับขวาก็ดูง่าย ถ้าเราไม่ได้ทำเลยนะไปไหนก็ดูยากอาศัยตรงนี้ท่า น, ะน้เวลาที่เราจเจริญวิปัสสนาแล้วบางครั้งเราก็ต้องกลับมาทำสมถะพักผ่อนะถ้าไม่ทำเลยตามรู้ตามดูลูกเดียวนะใจมันจะไปอยู่นอกๆไม่ตั้งมั่นที่หลวงพ่อบอกไม่ถึงฐานไม่ถึงฐานนะพวกเราคนไหนที่หลวงพ่อเคยบอกว่าไม่ถึงฐานบ้างไหมรู้จักได้ อ, อยังฐาน <c oughs> ถ้าไม่บอกไว้นะไม่รู้นะอะมันนึกว่าเรารู้สึกตัวอยู่ความจริงไปรู้สึกอยู่นอกๆมาอยู่นอกๆจิตส่งออกนอกไปเรียบร้อยแล้วแต่ไม่เห็นถามว่าเราไปเห็นอะไรบ้างก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์โยเว้นตัวกู <c oughs> หลายคนนะฝึกกรรมฐานกันมานะเห็นไตรลักษณ์หมดเลยแต่ข้างในเนี่นะประคองนิ่งเงยียบไปอยู่งั้นเลย รักษาไว้ตลอดเลยไปรักษาไว้แล้วก็รู้สึกว่านี่คือตัวเรานี่คือตัวเรารักษาเบอร์สี่สิบใจลอยไปแล้วเวลาหลวงพ่อบอกนะอย่าเพิ่งเถียงนะอดทนนิดนึงนะเวลาหลวงพ่อบอกเรารีบสังเกตเอ่เมื่อกี้ทําอะไรอยู่หลวงพ่อถึงพูดอย่างนั้นเนี่ยคนที่ใส่เสื้อเชิ้ตนอะ่ะรู้สึกไหมเมื่อกี้หนีไปทําอะไรเมื่อกี้ใจไปทําอะไรพอจะนึกออกไหมก่อนที่หลวงพ่อจะหันมาคุยด้วยเนี่ย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 หลวงพ่อเคยหนะ้าที่ตอนอยู่เมืองการเคยถามอา้าวทำอะไรอยู่เผลอค่ะทำอะไรเพ่งครับทำอะไรเป็นหมอฟันค่ะนะแม้หักมุมหน้าดูเลยนะ <c oughs> แสดงว่าใจรอยสุดขีดเลยนะไม่ฟังเลยก็ไล่มาตั้งครึ่งแถวแล้วเขาตอบอะไรกันนะตอบเฉยเลยเป็นหมอฟันนะมิงเป็นไงมิง้งในไมโครโฟนไปไหนละ่ะ เบอร์สามสิบห้าเห็นไหมไปมองเขาลืมตัวเองฝึกอย่างนี้นะฝึกเมื่อกี้ขาค่ะแล้วก็ังไม่ได้ยินเมื่อกี้ขาค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้บังคับแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะทีแรกบังคับอยู่นะแล้วก็หลงไปฟังแล้วก็ขำเห็นไหมพอหลวงพ่อหันมาถามก็เลยเกลิงขึ้นมาอีก เนไหมยังมาบอกว่าตอนนี้ดีขึ้นออตอนนี้เมื่อกี่ไม่รู้คะ่ะว่าเกรงขึ้นไหมออแล้วดูออกอย่างว่าเก่งไว้ออถ้าต้องดูให้ออกนะเป็นอะไรก็ได้ดีก็ได้ชั่วก็ได้หลวงพ่อไม่ว่าเลยนะขอให้รู้ตรงตามความเป็นจริงเท่านั้นเองเพราะฉนั้นะจิตจะเป็นกุศลก็ได้จิตจะเป็นอ ก, กุศลก็ได้ขอให้รู้เท่านั้นแหล ะ, นะะใครจะคุยกับหลวงพ่อเชิญยกมืออ่าส่งวันนี้เมื่อแปสอง นี่วันนี้แก้งว่วงนะในวิธีส่งอย่างนี้หลังอาหารก็อยากจะกราบเรียนหัวข้อค่ะคือในบางครั้งเวลาที่เราดูจิตเนี่ยคือมันเห็นความรู้สึกแต่มันวิ่งเป็นสายเหมือนจู้ตลอดแล้วในในบางความรู้สึกเหมือนกับมันก็เสียดแทงใจแต่มันก็ไม่คือไม่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะรู้แต่ว่ามันอื้อวิ่งเป็นสายตลอดเลยค่ะแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยอยู่ๆมันมีความรู้สึกเหมือนว่าพอรู้ตรงนี้แล้วเนี่ย มันเหมือนมีแรงที่มาดึงดึงมาอยู่ที่ฐานฐานที่เราตั้งมั่นเอาไว้นะคะมันจือ๊อแบแบจะพยายามคิดว่าจะฝืนดูก็ไม่ไหวแล้วก็ก็ตามรู้เขาไปว่าเขาดึงลงจนแบบเขาค่อยๆ ค, คลายแล้วก็นิ่งค่ะนั่นแหละตามรู้ไปทุกอย่างที่ปรากฏล้วนแต่ดับทั้งสิน้นค่ะคือพวกเราอย่าไปหลงกับอาการที่ปรากฏนะ <c oughs> ทุกสิ่งที่ปรากฏนะแสดงไตรลักษณ์เหมือนกันหมดอนะ เราไม่ต้องไปวิเคราะห์สภาวะแต่และชนิดแต่และชนิดเราแค่เห็นว่าสภาวะแต่และอย่างแต่และอย่างนะั้นไม่เหมือนกันทําไมเห็นว่าแต่และอย่างไม่เหมือนกันนี่จําเป็นรู้ไเพื่อจะได้เห็นว่าทุกอย่างที่เกิดล้วนแต่ดับทั้งสิน้นถ้าเราแยกสภาวะไม่ออกเราจะรู้สึกว่ามีสภาวะอันเดียวรวดคงที่ถาวรแต่แถ้าเราเห็นอย่างโลภ ก, กับหลงไม่เหมือนกันนะหลงกับโกรธไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยถ้เราเห็นความแตกต่างของสภาวะเราถึงจะดูออกความโลภเกิดอยู่ชั่วคราวแล้วหาย ความโกรธอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายนี่สภาวะชืดยืดนี่ก็หายรู้สึกไห <คะ S 2> มมันเป็นยังไงก็ได้ก็ต า, กตามรู้ไปก็ตามรู้ด้วยใจที่เป็นกลางถ้าใจเกิดสงสัยว่าอะไรนะ ร, รู้ว่าสงสัย<จ>ถ้าใจพอใจโอ้วันนี้ภาวนาดีรู้ว่าพอใจนะก็บางช่วงก็รู้สึกว่าเห็นจิตมันหึกเฮิมก็ดีแล้วจิตมันฮึกเฮิมได้นะแต่บอกไว้เลยวันหนึ่งมันก็ปอแปล้ อ่าใช่แล้วพอเย็นก็หงอยเลยค่ะเออนั่นแหละวันเดียวกันนั่นเองค่ะก็เห็นพอเช้าจะเป็นอย่างเงี้ยเช้าคึกคักแม้พึกเถิมพอเย็นก็เริ่มหงอยฟ่อลงไปเลยค่ะเออนะตามดูไปล้วนแต่ของไม่เที่ยงใช่ค่ะดูเพื่อให้เห็นแค่นี้ค่ะเหมือนกับทุกให้รู้แต่ตอนนี้ก็คือแต่ก่อนก็จะแบบมีทุกข์เราไม่อยากเผชิญแบบที่หลวงพ่อบอกอะค่ะแต่ตอนนี้เต็มใจที่จะดูเลยค่ะอ่ะใครตอบไป มีไหมใครเอายกมือเลยใครต้องการอา่ะส่งมาข้างหน้าข้างหน้านิมนต์นิ ม, มนต์ น, มมนั่งเลยครับเดี๋ยวผมเขาอากาศพูดกับโยบก่อ น, กนครับนิ ม, มนต์ต้นจิตเป็นยังไงครับแล้วปลายจิตคืออะไรครับยิ่งไปนสนใจเลยพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนะมันเป็นสำนวนที่อาจารย์รุ่นหลังท่านสร้างขึ้นมาคือตัวที่ไปบ่งการนะให้จิตเกิดพฤติกรรมท น, นเรียกต้นจิต จริงๆเป็นศัพท์เทคนิคเฉพาะสำนักนะจริงๆนะสังสรารวัตรเนี่ยไม่มีต้ น, ม, ตนมีปลายอะไรเกิดดับตลอดนะสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆกระทั่งจิตหนึ่งดวงแล้วนะก็มีต้นจิตกลางจิตปลายจิตในดวงเดียวกันมีจิตที่เกิดขึ้นใะช่ไหมมีจิตที่ตั้งอยู่มีจิตที่ดับไปในดวงเดียวกันนะี่มี3ามขณะย่อยๆนะมีอุปาทถีติพังคะเกิดขึ้นมา แต่ว่าสํานวนอย่างนั้นหมายถึงว่าให้เรารู้ทันเวลาจิตใจเราเกิดตัณหาขึ้นมามันจะบงการให้เราเกิดพฤติกรรมนะก็เป็นสํานวนอย่างเราอยากเราอยากรู้เรื่องเนี่ยความอยากเกิดขึ้นมั่นะใจมันก็จะดินน้นระนหรือใจมันสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวมันอยากเดินแลสั่งให้กายเดินก็ไปเรียกตัวนี้กันสมมุติเอานะเ ร, เรียกต้นจิตในพระไตรปิฎกไม่มีคํานี้นะ แต่จิตชนิดนี้มีจิต ท, ที่ประกอบด้วยตัณหานึ่งเคยเกิดอยู่เด็กรับบแบบดับความคิดไปจนกระทั่งว่าขณะก่อนนั้นคิดอะไรไม่จาไม่ไดนะ้นึกกลับมาปแปลกนะแต่ว่าเราไม่ได้เจตนาดับมันดับเองหรือเปล่า อ, อยู่เฉยๆก็ดับได้ใช่ไหมนั่นเป็นทุกคนเป็นทุกคนแะอย่างเราลองทดสอบนะลองไปสวดมนต์ดู สวนมนต์ดูปรเดี๋ยวใจยันหนีแวบไปคิดเรื่องอื่นนะลืมส่วนมนต์นนะแล้วพอเรานึกขึ้นได้ว่าจะต้องส่วนมนต์ต่อเราต้องแอบคิดอย่างรวดเร็วเราไม่อคิดถึงไหนนะเป็นทุกคนอนะ่ะแท้จริงก็คือจิตมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลานนี้บางทีเกิดขึ้นมาแล้วสัญญายังทํางานไม่ทันนะเป็นทุกคนคําถามต่อไปคือว่าบางทีดูกายแล้วก็ความรู้สึกพลังกําลังวิ่งอยู่แล้ว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 ลดความจริงจังลงนิดนึงของโยบจริงจังไปส่งไปข้างหลังเบอร์52อะไรนะเดดเดดไดช่วยพูดไหมหลวงพ่อหูตึงแล้วแก่แล้วคือว่าเมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าให้ตามรู้กายรู้ใจไปเรื่อยใช่ไหมครับตอนไหนรู้กายตอนไหนรู้ใจครับดูตอนไหนรู้กายได้ก็รู้กายไปตอนไหนรู้ใจได้ก็รู้ใจไปเราเลือกไม่ได้หรอก อย่างบางคลเขาบอกว่าเขาเขาไม่ถนัดดูกายเขาจะดูแต่จใจอย่างนี้ได้ไหมครับบานเป็นไปไม่ได้หรอกคนไหนดูจิตเป็นแนละ้วก็ดูกายนะร่างกายขยับเขยื่อนรู้สึกตลอดแหละมันบังคับไม่ได้ว่าจะเอาอันใดอันหนึ่งถ้าบังคับได้ก็ เ, เป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาก็แปลว่าดูกายนี่ไม่ใช่ดูเฉพาะลมด้วย <c oughs> ใช่ไหมครับใช่ไม่ใช่เฉพาะลมวิธีรู้รู้ลมหายใจอย่างเราฝึกอานาปนานสตินะอย่าไปเข้าใจผิดว่ารู้แต่ลมนะ ถ้าเราไปเพ่งใส่เฉพาะตัวลมจะเป็นสมถะนะแต่ถ้าเราเห็นร่างกายนี้หายใจอยู่ใจเราเป็นคนดูอยู่นะมันจะเริ่มแยกรูปแยกนามเป็นต้นทางของการทำมิปัสสนานะสังเกตัม้มเนี่ยหายใจอยู่เนี่ยมีใจคนหนึ่งเป็นคนรูนะ้ต้องมีตัวผู้รู้ขึ้นมานะสำนวนวัตตาจะเรียกว่าตัวผู้รูนะ้ถ้าสำนวนในบาลีจะมีสับอยู่คำหนึ่งเรียกว่าเอโกทิภาวะภาวะอันเป็นหนึ่ง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 ร่างกายเคลื่อนไหวคอยดูไปเห็นเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเหมือนกับเปลือกอะไรอันนึงนะเหมือนหุ่นตัวหนึ่งที่จิตมาอาศัยอยู่ร่างกายนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่ใช่ตัวเรารแล้วแล้วโดยปกติเนี่ยอย่างผมเนี่ยจะรู้ลมไม่รู้มันแป็นตโวนมิตของมันเองครับคือถ้ามันว่ามันจะไปรู้ลมนี่ก็คือก็ปล่อยมันไปอย่างนั้นปล่อยไปนะแต่พอไปรู้ลมแล้วใจของเราเป็นยังไงให้คอยรู้ทันเช่นไปรู้แล้วใจเรามีความสุขก็รู้ใจเราฟุ้งซ่านก็รู้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 ยังไงตามดูไปเรื่อยคือพอรู้ว่ามันซึมแล้วก็นั่งดูไปเรื่อยว่าเออมัน ม, มันไม่ดูเรื่อยๆอ่ะพอรู้ว่าซึมนะเดี๋ยวมันเริ่มไม่ชอบเงี้ยไม่ชอบเราก็รู้ว่าไม่ชอบนะบ ไ, มไม่ใช่ต้องไปดูที่ซึมมันเดียวไม่ดูอันอื่นอะไรสดสดร้อนๆอนปแปลกใหม่ขึ้นมารู้ว่า น, นั้นแหละที่เป็นปัจจุบันไปเรื่อยแอบไปคิดแวบหนึ่งอ่ะรู้ไหมมันคิดอยู่ตลอดครับเออดีคิดอยู่ตลอดเอางี้นะ ถ้าเห็นมันคิดตลอดเนี่ยดูจิตได้ละก่อเปนนี้จิตแอบไปคิดให้รู้ทันไม่ห้ามนะไม่ดึงไว้นะไม่ห้ามเออไม่ห้ามจิตไหลไปคิดเรารู้ไหลไปคิดเรารู้ฝึกแค่นี้พอละไปอีกแล้วรู้สึกไหมดีใช้ได้หลวงพ่อนะฝึกหายใจอยู่22่สิบสอปีนะมาหายใจแข็งกับอาจารย์วิชาได้สบายเลยฝ <c oughs> ึกแล้วขึ้นไม่ปรัชนาไม่เป็น จริงๆถ้าหายใจเป็นนั่นก็ไปได้นะถึงมารถึงผลได้รู้ลมหายใจไปนะจิตเป็นคนรู้คนดูอยู่เห็นร่างกายนี้หายใจไปร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตที่ไปรู้ไปดูก็ไม่ใช่ตัวเรานะดูไปเรื่อยๆตัวเราไม่มีอย่างนี้ก็ไปได้เหมือนกันแอบไปคิดแล้วเบอร์ห้บสอรู้สึกไหมมันวูบไปเออมันวูบไปเห็น ไ, ไหมมันวูบไปเองรู้สึกไหมเราไม่ได้สั่งมันมันวูบไปเอง นั่นแหละมันเริ่มแสดงไตรลักษ์ให้ดูแล้วมันห้ามไม่ได้ด้วยมันห้ามไม่ได้คำว่าห้ามไม่ได้ก็คือคำว่าอนัตตานั่นเองสังเกตไหมมันไม่คงที่มันส่ายตลอดนั่นคือคำว่าอนิจจังนั่นเองเนี่ยแค่ตามดูวลาเดียวประดาวเห็นไหมเริ่มดูเป็ดแล้วรู้สึกไหมใจของเราสว่างขึ้นมาดูออกไหมไม่ออกครับวันนี้ไม่ออกเหรอรู้สึกไหมใจเราโล่งๆเออบางคนดูสว่างไม่ออกดูโล่งๆ เนี่ยใจไม่โล่งแล้วรู้สึกไหมใจเริ่มแน่น <c oughs> แน่นแล้วอันนี้นะไม่ทันแล้วครับเออเริ่มอึดัดแล้วนะเ <c oughs> นี่ยดูไปดูความเปลี่ยนแปลงนะง่ายอย่าตายไปแบาบงคนนะหลวงพ่อบอกง่ายอะไรนะ <c oughs> เออง่ายนิดเดียวเลยบอกยากเยอะห <c oughs> ลวงพ่อครับในในซีดีที่ผมเคยฟังหลวงพ่อบอกว่า พระพุทธเจ้าบอกว่าจิตเกิด เ, เดินทางได้รวดเร็วแล้วก็ไปได้ไกลอย่างนี้จิตนี่มีมีเชื้อเพลิงไหมฮะใช้อะไรเป็นพลังงานหรือเปล่ามีพลังในตัวของมันเองตัวมันเองใช่ไหมครับมันมีพลังงานนะแล้วพลังงานของมันเนี่ยเยอะมากเล ย, ยงแต่มันเป็นพลังที่ประนีตเลยยังเอามาขับเครื่องยนต์กลไกลที่หยาบหยาบนี้ไม่ได้ถ้าผลิตเครื่องยนต์ที่ประณีตกว่า น, นี้ได้นะต้องละเอียดกว่านานโนนะ นาโนนี่ยังหยาบจิตมันไปเร็วนะเคลื่อนที่เร็วอย่างแสงเนี่ยไปพราทิศนี่กี่นาทีหลายนาทีจิตนี่ถึงเลย น, นึกถึงที่ไหนก็ถึงที่นั่นเลยเร็วกว่ากันเยอะนั่นเป็นสาเหตุทห้มันทำให้มันเป็นอิสระจากขันได้ใช่ไหมครับได้แต่ว่าตัวมัน่ะเหมือ น, มนเมร็ดพันธ์นะ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 พูดกับท่านถึงจิตซึ่งมันเป็นตัวต้นกำเนิดตัวจิตอวิชาตอนนั้นเริ่มไปเห็นมันบ้างแล้วท่านก็สอนบอกให้ดูเข้าไปอีกก็เป็นใจลักครับ<อ>มีไหมใครจะพูดกับหลวงพ่อหนึ่งมไม อ, อ๋อหนึ่งแล้วเอาเบอร์หนึ่งอ่ะเบอร์หนึ่งส่งไปในยนิดอย่าท้อแท้ใจนะเดี๋ยวเข<พ>เลิกแล้วภาวนาะมาพักหนึ่งนะคะพระอาจารย์แล้วก็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 ใ, ใจก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราเกิดดับไปเรื่อยเรเห็นหนึ่งนี้แล้วแต่ยังไม่ยอมรับดูไปเรื่อยเจนยอมรับอ่ามีไหมมีไหมหนึ่งแหมหนึ่งก็ยกเลยอ่าขอ น, นิดนึงครับรู้สึกว่าใจมันหายเพียแล้วครับเอ่ดีแล้วก็อยากให้หลวงพ่อช่วยดูว่ามีอะไรขาดเกินหรือเปล่าครับตอนนี้เกินเลยตอนที่ตั้งท่าให้หลวงพ่อดูแต่เกียร์มันดีแล้วอ๋อครับนะเปนพอดีอ่าเบอร์ยีห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 ได้อีกคนเดียวนะคนเดียวข้อนี้หนูละอายที่จะที่จะพูดนะค่ะแต่ว่าตายเป็นตายเอต้องอย่างนั้นเมื่อไอการที่ว่ารักตัวเองอนะครับเมื่อกี้หนูได้ยินที่คนข้างหน้าพูดเมื่อวานเนี่ยหนูนั่งอยู่ในนี้หนูมีความรู้สึกว่าหนูสบายแล้วก็โปร่งและทีนี้พอหนูถามหลวงพ่อหนูถหนูบอกว่าหนูจะไม่ถามพ่อหนูฟุ้งและทีนี้หลวงพ่อก็เลยบอกว่าอ้าว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 มาด้วยความกลุ้มใจกลัวหลวงพ่อชี้แล้วบอกว่าไม่ดี <c oughs> แต่ว่าใจหนึ่งก็รักดีนะอยากเรียนอยากเรียนไปกลัวไปสนุกคะค่ะไม่เบือ่อเออไม่เบือ่อพอดี <c oughs> แล้วนะหลวงพ่อศึกษาธรรมมาหลวงพ่อไม่เห็นหน้าเบื่อเลยสนุกอ่นะเราเราเรียนรู้โหกิเลสเรานะมันพลิกแปลงมารยาเยอะค่ะก็ดูมีความรู้สึก